เริญพ น, นท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันสองที่สี่ตุลาคมพุทธศักราสารา2 5บเเป็นวันที่ท่านนักลหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ ึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้เป็นแสงสว่างนำทางพาชีวิตให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ปรารถนากันก็คือความสุขความเจริญความห่างไกล จากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเพราะความสุขความเจริญหรือทุกภัยอันตรายต่างๆนี้ <c oughs> เกิดจากการกระทําของพวกเราเองไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆในโลกนี้สิ่งต่างๆในโลกนี้เขาไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่เป็นอันตรายต่อจิตใจ แต่สิ่งที่เป็นอันตรายต่อจิตใจก็คือการกระทาพร้อมการกระทานี้เมื่อทำแล้วก็จะทำให้มีผลตามมานั่นเองอพระพุทธเจ้าจึงทรงตัดไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำการอันใดไว้ดีหรือชั่ว จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคือถ้าทำดีคิดดีพูดดีก็จะได้ผลดีคือได้ความสุขความเจริญทั้งทางจิตใจและทางร่างกายถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็จะได้ผลไม่ดีคือได้ความเสื่อมเสียได้ภัยอันตราย ได้ความทุกข์ต่างๆทั้งทางร่างก า, ายและทางจิตใจพวกเราในอดีตก็เคยได้ทำบุญทำบามาทั้งสองส่วนด้วยกันมีมากมีน้อยต่างกันพอเวลาเรามาเกิดในภพนี้เราจึงได้รับความเจริญได้รับความเสื่อมไม่เท่ากัน ได้รับความสุขได้รับความทุกข์ไม่เท่ากันถึงแม้ว่าจะเป็นลูกของพ่อแม่เดียวกันแต่ลูกๆนี้จะมีความแตกต่างกันทั้งในรูปร่างหน้าตาทั้งในสุขภาพทั้งในอายุทั้งในความรู้ความฉลาดทั้งในฐานะของทรัพย์ สินเงินทองพ่อพ่อแม่ไม่ได้เป็นผู้ให้สิ่งต่างๆหล่างนี้มาพ่อแม่ให้เพียงแต่ร่างกายแล้วใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะรับผลของใจคือรับผลของบุญของบาป ท, ที่เคยทำมาในอดีตชาติ จึงทำให้พวกเรานี่มีความแตกต่างกันรูปร่างหน้าตาสวยงามไม่เท่ากันอายุสุขภาพไม่เท่ากันบางคนก็อายุยืนบางคนก็อายุสั้นบางคนก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบางคนก็มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงบางคนก็มีความรู้ความฉลาด มากบางคนก็มีความรู้ความฉลาดน้อยนี่เป็นผลที่เกิดจากการกระทาทางกายวาจาใจถ้าในอดีตมีแต่ความขวนขวายที่จะทำแต่สิ่งที่ดีผลในปัจจุบันคือชาตินี้ก็จะเป็นผลที่ดีถ้าในอดีต ไม่ทำผลไม่ทำเหตุที่ดีแต่กลับไปทำผลที่ไม่ดีในปัจจุบันผลก็จะไม่ดีนี่แหละคือเรื่องของบุญของบาปที่ติดมากับเราเราคือใครเราก็คือดวงจิตดวงใจในขณะที่ไม่มีร่างกาย เราก็เรียกดวงจิตดวงใจนี้ว่าดวงวิญญาณเราเป็นดวงวิญญาณพอเราได้ร่างกายเราก็ถือร่างกายว่าเป็นตัวเราแทนแต่ความจริงแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นเหมือนกับคนรับใช้ของเราเราคือใจคือผู้คิดผู้รู้ผู้สั่ง เวลาเราต้องการอะไรเราก็สั่งร่างกายให้ทำตามความต้องการของเราอย่างวันนี้เราต้องการมาวัดเราก็สั่งให้ร่างกายพาเรามาที่วัดร่างกายนี้เป็นเพียงคนรับใช้เราเราจริงๆนี่คือใจแต่ใจของเรานี้ไม่มีรูปร้างเราจึงต้องใช้ร่างกายเป็นรูปร่างแทน เราจึงไม่ควรหลงกับรูปร่างร่างกายนี้อย่าไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราอย่างแท้จริงเพราะถ้าเราคิดต่อไปเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายตายไปเราก็จะทุกข์เราก็จะเดือดร้อนเพราะเราจะไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราความจริงร่างกายเป็นเพียงคนรับใช้ ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจนี้มาจากชาติก่อนชาติก่อนก็มีร่างกายพอร่างกายตายไปใจก็ต้องออกไปหาร่างกายอันใหม่พอมาเกิดก็ได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็ได้ผลของบุญของบาปที่ทำให้ร่างกายนี้มีความแตกต่างกันไปถ้าทำบุญมามากกว่าบา ก็จะได้ดีกว่าเดิมได้ร่างกายที่ดีกว่าเดิมถ้าบะทาบามากกว่าบุญก็จะได้ร่างกายที่แย่กว่าเดิมนี่คือเรื่องของบุญของบาปที่เราทํากันอยู่เรื่อยๆในแต่ละภพแต่ละชาติในแต่ละวันบางทีเราก็ทาบาปเช่นบางทีเราก็ฆ่าสัตว์ ข้ามดข้ามาแรงบางทีเราก็โกงลักทรัพย์เอาของคนอื่นบางทีเราก็ไปประพฤติผิดประเวณีไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นบางทีเราก็โกหกไม่พูดความจริงบางทีเราก็เสพสุรายาเมางารกระทำทั้งห้าข้อนี้ เรียกว่าเป็นการทำบาปเป็นการฉุดให้เราตกต่ำทำให้เราได้ผลไม่ดีเวลาเราไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าถ้าเราไม่ทำบาปเราก็จะไม่ต้องรับผลที่ไม่ดีถ้าเราทำบุญคือทำทานอยู่เรื่อยๆมีอะไรก็แบ่งปันให้แก่ผู้อื่นไม่หวงเก็บเอาไว้ กินเอาไว้ใช้คนเดียวมีเหลือกินเหลือใช้ก็เอามาแบ่งกันเอามาช่วยเหลือคนที่เขาขาดแคลนอดอยาตกตกทุกข์ได้ยากถ้าเราทำบุญอยู่เรื่อยทำทานอยู่เรื่อยเราก็จะได้ผลดีในอนาคตคือเราไปเกิดในภพหน้าชาติหน้า เราก็จะมีฐานะการเงินการทองที่ดีถ้าเราสนใจที่จะศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางโลกหรือความรู้ทางธรรมเราก็จะได้ปัญญาเวลาเรามาเกิดในชาติใหม่เราก็จะฉลาดกว่าเก่าเรียนหนังสือก็จะเรียนเก่งกว่าเก่าถ้าเราไม่ชอบเรียนหนังสือชอบหนีโรงเรียน ชอบไปเที่ยวชอบไปเล่นชาติหน้ามาเกิดเราก็จะโง่จะไม่ฉลาดเพราะเราไม่มีความรู้ติดตัวมาดังนั้นขอให้เหลียวเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพยายามปฏิธรรมแต่บุญอย่าทำบาปแล้วจิตใจของเราจะมีความสุขทั้งในชาตินี้และในชาติต่อๆไป พอเราทําบุญปั๊บใจเราก็จะมีความสุขทันทีอย่างวันนี้ญาติโยมมาทําบุญญาติโยมทําแล้วก็มีความสุขใจอิ่มใจถ้าญาติโยมไปทําบาปญาติโยมก็จะมีความไม่สบายใจใจนี่แหละเป็นผู้รับผลของบุญของบาปส่วนร่างกายนี้เป็นผิดเป็นผู้ที่ติดตาม เป็นบริวานบางทีก็ต้องรับด้วยบางทีก็ไม่ได้รับเพราะบางทาีผลบาปยังตามมาไม่ทันเช่นไปทำผิดกฎหมายแต่ตำรวจยังจับไม่ได้ก็ยังเอาร่างกายไปขังคุกขังตารางไม่ได้แต่ใจที่ทำบาปทําผิดกฎหมายนี้ก็รับผลทันทีก็คือความไม่สบายใจ เวลาทำอะไรผิดที่ใจจะรู้สึกไม่สบายใจจะมีความหวาดระแวงวิตกกังวลกลัวกลัวว่าจะถูกจับไปลงโทษจะต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆเวลาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเกิดความตกใจทั้งๆที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่ได้รู้เรื่องของการกระทำผิดของเรา ยังแต่เห็นหน้าเขาเห็นเขามาเดินมาหาเราแล้วก็ตกใจแล้ว ท, ทั้งที่เขาไม่ได้มาจับเราเขาจะมาทักทายกับเราเราก็กลัวเขแล้วเพราะเราเป็นเหมือนวัวสันหลังหว้าวัวสันหลังหว้านี่เวลามีนกมามากัดมาแทะแผลมันก็เจ็บถ้าไม่มีแผลมันก็จะไม่เจ็บชั้นใดถ้าเราไม่ได้ทําบา ใจของเราก็จะไม่มีแผลใจของเราจะไม่เดือดร้อนไม่กลัวใครทั้งนั้นมีตำรวจมากี่ร้อยคนเราก็ไม่กลัวเพราะเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่ถ้าเราทำผิดกฎหมายเห็นตำรวจคนเดียวก็กลัวแล้วนี่แหละคือผลที่เกิดขึ้นทันทีในปัจจุบันไม่ว่าเราทำอะไรถ้าทำบาปแล้วใจจะไม่สบาย ถ้าทำบุญแล้วใจจะสบายเช่นวันนี้ถ้าเราเอาเงินไปซื้อของแล้วเอาไปให้คนที่ก็ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนพอเราทำเสร็จแล้วใจของเราก็จะสบายมีความสุขและทุกครั้งที่เราคิดถึงการกระทำของเราเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขใจอยากจะมีความปลอดภัย จากภัยต่างๆก็ขอให้เราพยายามทำความดีอย่าทำบาปเพราะทำบาปแล้วเราจะสร้างศัตรูใครที่ถูกเราทำร้ายถูกเราเบียดเบียนเขาก็จะโกรธเขาก็จะเกลียดเราแล้วถ้าเขามีโอกาสที่เขาจะตอบโต้หรือแก้งแคลนรังแคลนเขาก็จะทำกับเรา ในชีวิตของพวกเรานี้ยบางทีเราก็ไปเจอคนที่เขาไม่ชอบเราเขาจะมาทําร้ายเรานั่นก็เป็นเพราะว่าในอดีตตระชาตินี้เราเคยไปทําร้ายเขาก่อนพอเขาเห็นหน้าเราเขาก็จําเราได้เขาก็เกลียดขี่หน้าเราไม่ชอบที่หน้าเราเหมือนกับเราเวลาเราเห็นคนบางคนนี่เรารู้สึกยังไง เห็นปับก็รู้เลยว่าไม่ชอบคนนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าในอดีตเคยเป็นคู่อะรทรกันมาก่อนอพอเจอกันแล้วมันก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาแต่ถ้าคนที่เราไม่มีอะไรกันมาในอดีตเวลาเราเห็นกันเราจะรู้สึกเฉยเฉยส่วนคนที่เรามีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในอดีต พอเรามาเจอกันคราวนี้เราก็ชอบกันทันทีทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้ว่าชอบเพราะอะไรแต่เห็นหน้าเขาเห็นท่าทางเห็นกิริยาการของเขาเห็นแล้วก็ถูกใจนั่นก็เป็นเพราะว่าในอดีตเราเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอดีตของเรานี่มันมีมากมายภพชาติของพวกเรานี้มีจำนวนเป็นล้าน ดังนั้นคนที่เราเคยรู้จักนี้มีเป็นจำนวนร้อยล้านพันล้านคนเราอาจจะเคยเจอกันมาก่อนแล้วในอดีตก็ได้แล้วพอเรามาเกิดในชาตินี้เรามาเจอกันใหม่พอเรามีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเราเจอกันเราก็ชอบกันถ้ามีสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันเวลาเจอกันก็จะไม่ชอบกัน แต่เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เช่นถ้าเราเจอคนที่เรารู้สึกไม่ชอบเราก็พยายามหักข้ามจิตใจยอย่าไปเกลียดเขาให้อภัยเขาแล้วพยายามสร้างมิตรภาพเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีกันมีเจอกันก็ยิ้มแย้มทักทายกันมีอะไรพอจะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไป มีอะไรให้เขาได้ก็ให้เขาไปแล้วต่อไปการที่จะเป็นศัตรูกันก็จะกลายเป็นมิตรกันขึ้นมาได้พระเจ้าสอนว่าให้พวกเราสร้างมิตรอย่าสร้างศัตรูเพราะมิตรนี้จะเป็นเพื่อนที่ดีจะดูแลเราจะช่วยเหลือเราในเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแต่ศัตรูนี้มีแต่จะ ทำล้ายเราดังนั้นอย่าไปสร้างศัตรูให้รู้จักให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมเพราะถ้าเราให้อภัยไม่ได้จองเวรจองกรรมกันอยู่เราจะอยู่อย่างไม่เป็นสุขเราจะหวาดระแวงวิตกกังวลว่าคนที่เราไม่ชอบคนที่เรามีปัญหาด้วย เขาจะมาทำร้ายเราหรือไม่พยายามอย่าไปทำร้ายเขาถึงแม้ว่าเขาจะมาทำร้ายเราก็ถือว่าเป็นการใช้หนี้ไปให้คิดอย่างนี้เวลาเจอคนที่ไม่ไม่ชอบถ้าเขาไม่ชอบเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเรา ถ้าเขาตีเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็ให้คิดว่าดีแล้วคนบางคนอยากจะตายต้องไปจ้างคนมาฆ่าหรือต้องเสียเงินไปซื้อยาพิษมากินนี่เราไม่ต้องมีคนมาจัดการให้กับเราไม่ต้องเสียเงินเสียทองเพราะคนเราไม่ช้าก็เร็ลวก็ต้องตายด้วยกันทุกคน แต่ถ้าตายแบบไม่มีเวณีกรรมนี้ตายแล้วไปดีได้ไปสวรรค์หรือได้ไปพระนิพพานเลยแต่ถ้าถ้าอยู่ด้วยการฆ่าเขาเขาจะมาฆ่าเราเราเลยฆ่าเขาก่อนเราก็อยู่แบบแบบใจที่ตกนรกใจรุ่มร้อนและเวลาตายไปใจก็จะต้องแวะไปใช้กรรมในนรกก่อน ก่อนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้ากลับมาจากมรณรกมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนารูปร่างหน้าตาไม่สวยงามอาการไม่ครบสาสองมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีชีวิตที่สั้นนี่คือผลที่เกิดจากการจองเวรจองกรรม ทำบาปทำกันต่อกันดังนั้นอย่าทำเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนโกหกเพราะพระพุทธเจ้าไม่ต้องการอะไรจากเราพระพุทธเจ้าท่านเป็นมหาเศรษฐีท่านมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจท่านไม่ต้องการอะไรอีกแล้วแต่ท่านเห็นพวกเรานี้ยังมืดบอดอยู่ยังหลงอยู่ ยังไม่รู้จักคำว่ากรรมยังไม่รู้จักกฎแห่งกรรมไม่รู้ว่าการกระทำของตอนเองนี่แหละที่ทำให้ตนเองมีความสุขหรือมีความทุกข์ที่ทำให้ตนเองเจริญหรือเสื่อมพระพุทธเจ้านี้ท่านทรงศึกษาและปฏิบัติจนเห็นได้อย่างชัดเจนเห็นผู้ที่รับผลของการกระทม เห็นผู้กระทำที่พวกเรายังไม่เห็นกันพวกเราเห็นแต่ร่างกายแ้ะเราอาจจะคิดว่าร่างกายเป็นผู้กระทำและเป็นผู้รับผลแต่ถ้าเวลาร่างกายตายไปแล้วก็ไม่ต้องรับผลอะไรอีกต่อไปนี่เป็นความเข้าใจผิดเพราะผู้ที่กระทำและผู้ที่รับผลของการกระทำนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย คือใจนี้ไม่ได้ตายขณะนี้ใจของพวกเราก็มีอยู่แต่เรามองไม่เห็นใจเราเห็นแต่ร่างกายแต่เราจะรู้สึกเวลาเราทําอะไรไม่ดีใจของเราจะทุกขึ้นมา ท, าทันทีเวลาเราทําอะไรดีใจของเราจะมีความสุข ท, ทันทีความสุขนี้ท่านเรียกว่าสวรรค์ความทุกข์นี้ท่านเรียกว่านรกดังนั้นเรา ในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เราได้ขึ้นสวรรค์และตกนรกสลับกันไปเรื่อยๆวันไหนคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีใจก็ร้อนเป็นไฟขึ้นมาก็ตกนรกทันทีวันไหนคิดดีพูดดีทดําดีใจก็เย็นมีความสุขมีความสวายก็ขึ้นสวรรค์ทันทีนี่แหละ<ม>คือตัวเราใจของเราผู้ที่รับผล รับอยู่ในใจของเรานี่แหละสวรรค์นรกอยู่ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในใจของเรานรกในอกสวรรค์นในใจเนี่ยใจนี่แหละเป็นผู้ที่สร้างนรกสร้างสวรรค์ขึ้นมาด้วยการคิดด้วยการพูดด้วยการกระทําอย่างว่านี้ญาติโยมคิดดีพูดดีทดําดีมาทําบุญมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรม มาฟังเทศฟังธรรมใจเป็นยังไงเย็นหรือร้อนใจเย็นใจสบายใจมีความสุขอนนี้ใจเป็นสวรรค์แล้วใจเป็นเทวดาแล้วแต่ถ้ากลับไปบ้านไปทะเลาะกับสามีไปทะเลาะกับแฟนจะตีกันจะตบกันเดี๋ยวใจก็กลายเป็นนรกขึ้นมาเพราะฉะนั้นพยายามรักษาใจไว้ให้ดี ด้วยการกระทําที่ดีคิดดีพูดดีทำดีต้องรู้จักการให้อภัยอย่าไปอาฆาตพยาบาทต้องจองเวรกันเพราะมันจะทำให้ใจเราร้อนเป็นไฟใจของเราเป็นอารกขึ้นมาถ้าเราให้อภัยได้ใจของเราจะเย็นจะสบายต่อไปใครทำอะไรกับเราเราจะไม่เดือดร้อน เราจะไม่เป็นนรกจะไม่เป็นฝืนเป็นไฟเราจะเป็นสวรรค์นี่แหละคือใจของเราเป็นอย่างนี้พยายามมองเข้ามาสังเกตดูความรู้สึกของเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกนี่แหละเป็นตัวเราเวลาร่างกายเจ็บนี้เราไม่ต้องเจ็บตามร่างกายก็ได้ถ้าเรารู้จักแยกใจของเราออกจาก ร่างกายแต่ที่เราเจ็บตามร่างกายก็เพราะว่าเราไม่รู้จักแยกใจออกจากร่างกายเราไม่รู้จักหยุดใจไม่ให้ไปทุกกับร่างกายเวลาร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ใจของเราก็เจ็บขึ้นมาด้วยแต่คนที่รู้จักแยกร่างกายออกจากใจนี้เขาจะไม่เจ็บเขาจะเจ็บเพียงครึ่งเดียวเจ็บที่ร่างกาย แต่ไม่เจ็บที่ใจบางทีร่างกายยังไม่ทันเจ็บเลยใจเจ็บแทนร่างกายไปก่อนเช่นไปหาหมอหมอบอกว่าเดี๋ยวต้องฉีดยาพอหมอพูดว่าฉีดยาเนั้นใจก็เจ็บแทนร่างกายขึ้นไปแล้วทั้งๆที่ร่างกายยังไม่ได้ถูกฉีดยาเลยแต่ถ้าเรารู้จักทำใจให้เฉยๆได้ใจจะไม่เจ็บเพราะว่าความเจ็บมันอยู่ที่ร่างกาย ตอนนี้เราไม่รู้จักทำใจให้เฉยกันเราต้องมาหาักทำใจให้เฉยให้ได้ถ้าทำใจให้เฉยได้แล้วเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายจะไม่เดือดร้อนหรือเวลาเกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นของเราเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้จักแยกแยะว่าร่างกายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรา ของต่างๆที่เรามีอยู่ก็ไม่ใช่ของเราไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปมีทรัพย์สมบัติมากน้อยเพียงไรมีเพื่อนมีญาติเสด็จมิตสหายมีสามีมีภรรยามีลูกไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปเขาไม่จากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปร่างกายที่เรามีอยู่นี้ก็เหมือนกันสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไป ถ้าเราทำใจเฉยไม่ได้เราจะเสียใจมากเราจะหวาดกลัวเราจะเดือดร้อนเราจะวุ่นวายใจแต่ถ้าเราฝึกทำใจให้เฉยได้ต่อไปเวลาอะไรเกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์ดังนั้นเราควรจะมาหัดทำใจให้เฉยกันวิธีทำใจให้เฉยก็คือ ให้ควบคุมความคิดของเราอย่าปล่อยให้เราคิดเรื่อยเปื่อยเพราะเวลาคิดแล้วจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงหมอคิดถึงโรคภัยแค่เจ็บก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าเราไม่คิดได้เราก็จะไม่มีความไม่สบายใจวิธีที่จะไม่คิดที่จะทำให้เราไม่สบายใจก็ให้คิดอยู่กับ คำเดียวก็เช่นให้คิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปถ้าเราท่องพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เราก็จะไม่ทุกข์ไปกับเขาเขาจะเป็นอะไรมันก็เป็นเรื่องของเขาเช่นคนที่เรารักเราชอบไม่สบายหรือตายไปมันก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเราไม่ไปคิดถึงเขาเราก็จะไม่เดือดร้อน แต่ถ้าเราไปคิดถึงเขาเราก็จะเดือดร้อนขึ้นมาเพราะเราจะมีความอยากอยากให้เขาอยู่กับเราอยากจะให้เขาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอเขาเจ็บไล้ได้ป่วยแล้วก็เดือดร้อนพอเขาจากเราไปเราก็เดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่ไปคิดถึงเขาได้เราก็จะไม่เดือดร้อนเขาไปก็เรื่องของเขาเขาเจ็บก็เรื่องของเขาเรารักษาใจของเราอยากให้เจ็บตามเขา จะดีกว่าถ้าเราฝึกหัดควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้เวลาเกิดเรื่องราวต่างๆเราก็จะลืมทันทีพอรับรู้ปั๊บก็ลืมเลยพอบอกว่าคนนั้นตายพอรับรู้เสร็จแล้วก็ลืมไปเลยพอรับรู้ว่าคนนั้นไม่สบายรับรู้เสร็จก็ลืมไปเลยเพราะใจของเราจะว่างอยู่ตลอดเวลาด้วยอํานาจของการ บริกรรมพุโทโธพุธโทโธพยายามฝึกบริกรรมไปเรื่อยๆต่อไปใจของเราจะว่าแล้วเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมามันก็จะเกิดปั๊บแล้วก็หายไปเลยเหมือนเราได้ยินเสียงคนพูดคนด่าเราได้ยินปั๊บมันก็หายไปแล้วแต่ถ้าใจเราไม่ว่าใจเราคิดเราก็จะคิดถึงคำที่เขาด่าเรา เขาด่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนนี้ก็ยังคิดอยู่ยังโกรธอยู่ยังเสียใจอยู่ยังน้อยอกน้อยใจอยู่ทั้งๆ ท, ท, ที่คำด่าของเขาเนะี่ยมันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่เราก็ยังเอามาคิดอยู่นั่นแต่ถ้าเราคิดอยู่กับพุทโธพุทโธใครด่าอะไรปับ๊บมันก็หายไปแล้วเราอยู่กับพุทโธถ้าเราไปคิดเราก็ดึงมันกลับมาได้เช่นใครด่าเราแล้วเราก็ไปคิด เราพอได้สติเราก็อย่าคิดดีกว่าคิดพุโทโธดีกว่าพอพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆคำด่าที่เขาด่าเราก็จะหายไปเราก็จะลืมไปนี่แหละคือวิธีทาใจของเราให้เฉยให้ว่าเราต้องใช้พุโทโธลบความคิดออกไปอย่าปล่อยให้ใจคิดในเรื่องที่ไม่จาเป็นคิดในเรื่องที่จาเป็นคิดได้ เช่นเวลาเราต้องทำงานทำการเราก็ต้องใช้ความคิดความคิดเหล่านี้ไม่เป็นไผ่เป็นประโยชน์ให้คิดให้คิดในสิ่งที่ทำให้เป็นประโยชน์คิดแล้วได้เงินดีกว่าคิดแล้วต้องมาล้องห่มล้องห้าคิดไปทำไมคิดแล้วล้องห้าอย่าไปคิดแต่ถ้าคิดแล้วได้เงินนี่น่าจะคิดเมื่อคิดแล้วมีความสุขก็คิดไป ถ้าคิดแล้วเป็นความทุกข์ก็หยุดมันใช้พุทโธลบมันออกไปอัดถ่องพุทโธพุทโธไว้ต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์เราจะมีแต่ความสุขนี่แหละคือเรื่องของกรรมคือการกระทำของเราตามที่สำคัญที่สุด ก, ก็คือความคิดนี่เองคิดดีก็เป็นสุขคิดไม่ดีก็เป็นทุกข์ดังนั้นต้องรู้จักวิธีลบความคิดที่ไม่ดี ด้วยการใช้พุโทโธพุโทโธลบออกไปตอนนี้เราต้องเริ่มสร้างพุโทโธขึ้นมาก่อนเพราะถ้าเราไม่สร้างไว้เวลาเกิดความคิดไม่ดีเราจะไม่มีกำลังลบความคิดไม่ดี <S 2> <S 2> เหมือนกับเราต้องเตรียมน้ำดับไฟไว้ก่อนต้องหาเครื่องดับเพลิงไว้ก่อนถ้าไม่มีเครื่องดับเพลิงเวลาไฟลุกขึ้นมาจะไม่มีอะไรมาดับไฟได้ถ้าเราไม่เตรียมพุโทโธไม่ท่องพุโทโธไว้ก่อน พอเวลาคิดไม่ดีมันจะหยุดความคิดไม่ได้นั้นพยายามหัดคิดพุดโทโธไปเรื่อยๆคิดได้ตลอดทั้งวันอยู่ในเอริยาบถไหนก็คิดได้อยู่ที่ตรงไหนก็คิดได้ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆแล้วใจจะเย็นจะสบายจะว่าแล้วเวลาเกิดความคิดไม่ดีขึ้นมาก็ใช้พุโทโธดับมันได้เลยแล้วเราก็จะมีความสุข นี่แหละคือการสร้างกรรมดีคิดดีนี่เองพอคิดดีเราก็จะพูดดีทำดีแล้วเราก็จะได้รับผลดีตามมาต่อไปจึงขอให้พวกเราจงมีความแน่วแน่ต่อความความสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจริงและเราสามารถพิสูจน์ได้ลองไปเอาพุทธโธดูลองท่องพุทธโธดูแล้วดูเสว่าใจของเราจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้น จะมีความสุขมากขึ้นหรือจะมีความทุกข์มากขึ้นพิสูจน์ได้คําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนที่อมตะไม่ขึ้นกับการกับเวลาแม้พระพุทธเจ้าจะตายจากพวกเราไปถึง 2,500 กว่าปีแล้วแต่คําสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นจริงอยู่ถ้าเราทําตามเราก็จะได้รับความสุขจึงขอให้ท่านจงนําเอาเสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ ไปเจริญต่อไปปฏิบัติต่อแล้วท่านจะได้รับความสุขและจะดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้การแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติวไว่ายเปลี่ยนเท่านี้ขอคุณพ ษ, ษีวัตนตจัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้ว้าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากานเธอ